ราคะกับกิจเหมือนอย่างว่าเรือนที่มุงไม่ดีฝนย่อมร่วรถดได้ฉันใดกิจที่ยังไม่ได้อบรมให้ดีก็ฉันนั้นราคะย่อมเสียแทงได้ส่วนเรือนที่มุงดีฝนย่อมร่วรถดไม่ได้ฉันใดกิจที่อบรมดีแล้วก็ฉันนั้นราคะย่อมเสียแทงไม่ได้อธิบายความราคะต่างตัวอักษรแปลว่ายอมมาจากรากศัพท์ว่าระชะ หมายความว่ายอมจิตให้แปรรูปไปเสียปกติภาพของจิตทําให้เห็นวิปริตวิปลาดว่า ง, งามแม้ในสิ่งอันไม่งามเหมือนสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของส่งแม่นเขียวให้ทําให้มองเห็นหญ้าแห้งฟางแห้งเป็นเกียวสดไปหมดสิ่งที่ไม่งามคือกายนี้เพราะเต็มไปด้วยของไม่สะอาดในภาษาไทยนิยมแปล ร, ราคะว่าความกํ า, าหนังกล่าวคือความใคล้ายในรูปเสียงเลี่นรสและผัวทพะราคะหรือความกําหนังในการ ม, มีอิทธิพลต่อชีวิตคนมาก นักจิตตวนักจิตวิทยาบางท่านเช่นชิกมันฟลอยด์ได้มีความเห็นถึงกับว่าพฤติกรรมทั้งปวงของมนุษย์มีความกำนัดในการเป็นแรงกระตุน้นคนทั่วไปก็มองเห็นว่าราคามีแรงขักดันรุนแรงเพียงใดเป็นสิ่งเสียดแทงจิตใจให้รุ่มร้อนและกลัดกุ้มเพียงใดคนส่วนมากไม่สามารถเอาชนะได้จึงต้องระหกระเหินและบอบช้าด้วยความทุกข์นานาประการพระพุทธเจ้าตรัสว่า สังกปะราคะคือความเขม่นเพราะการดำริถึงเป็นกรรมของบุคคลกรรมเกิดจกากความดำ ร, ริตรึกราคะหรือกรรมหรือการมราคะนั้นมีอิทธิพลเหนือจิตใจของคนเป็นอันมากบางคนสามารถควบคุมได้ก็ไม่ถึงกับประเพฤตผิดศีลธรรมและขนบธรรมเนียมของโลกแต่บางคนควบคุมไม่ได้ในบางกาลเทศะได้ประกอบกรรมอันน้าบาสีเพราะ การมาราคะนั้นต้องติดคุกบ้างเสียทรัพย์สินบ้างเสียชื่อเสียงบ้างมันได้ทำให้คนเสียคนมามากแล้วตกนรกก็มากแล้วอย่างไรก็ตามราคะจะทำพิษทำภัยหรือมีอำนาจครอบงำก็จะพาะผู้ที่ยังไม่ได้อบร ม, บรมจิต ด, ด้วยดีส่วนผู้ที่อบรมจิต ด, ดีแล้วราคะย่อมไม่สามารถเสียแทนได้เหมือนคนอยู่ในเรือนที่มุงบังดีฝนตกเท่าไรก็ไม่เปียก ส่วนคนที่อบรมจิตไม่ดีหรือไม่ได้รับการอบรมมาเมื่อประโฉกับอารมณ์อันนาไข่ครั้งใดราคะก็เสียแทงใจครั้งนั้นเหมือนเรือนที่มุงบังไม่ดีฝนตกทีไรคนอาศัยก็เปียกทีทนั้นการอบรมจิตจึงเป็นทางลดราคะให้น้อยลงจนสิ้นไปในที่สุดในอังคุตรนิกายทุกนกิบาตพระตาบิโดเล่มยี่สิบหน้าเจ็สิบเจ็ดท่านกล่าวว่าจเจริญสมถะเพื่ออะไร ตอบว่าเพื่ออบรมจิตถามว่าอบรมจิตเพื่ออะไรตอบว่าเพื่อให้ละราคะได้จึงได้กล่าวว่าวิธีอบรมจิตก็คืออบรมด้วยสมถะได้แก่การทำจิตให้สงบเป็นขั้นๆท่านเรียกว่าฌานตั้งแต่ฌานที่หนึ่งปฐมฌานจนถึงฌานที่แปดเป็นภาวะที่จิตสงบประนีขึ้นไปตามลำดับเมื่อด้ฌานตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปกามฉันทะคือความพอใจในการขอสงบราบคาบลงชั่วคราว ท่านเปรยียบเหมือนศิลาทับญ่าแต่การวราคะจะถูกถอนรากถอนเชือ้อก็โดยอนาคา ม, มิมัตอันเป็นมัตชั้นที่สามเรื่องประกอบพระนันทะพระนันทะมีความเกี่ยวข้องเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าเมื่อ น, นันทากุมารเข้าพิธีมงคลสมรสกับนางชนบทกาลยา น, นีนั้นได้ทูลเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จมาเสวยในงานด้วยเมื่อเสวยเสร็จแล้วจะเสด็จกลับมิคโครทาลาม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 พระใจของท่านโมพวงถึงแต่เจ้าสาวชนบทกาฬยาณีเพราะคําพูดและกิริยาอาการของนางเป็นหนึ่งตกไปอยู่ตกไปกวางอยู่ในหาไทยดังกล่าวมาแล้วอนึ่งคู่แต่งงานย่อมหวังความสุขในการครองคู่หวังการชื่นชมซึ่งกันและกันเมื่อถูกพลาด ท, ท, ทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ชื่นชมเช่นนี้ย่อมมีความสถือนใจมากแต่พระศาสดาทรงหวังประโยชน์อันกว้างไกลลึกซึ่งแก่พระนันทะจริงทรงยอมกระทํตำตํานานกล่าวว่า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 ท่านอธิบายไว้ว่าเป็นไปตามสัญชาตญาณราเริงยินดีอยู่แล้วทูลพระาศาสดาว่าข้าแต่พระสมณะร่วมเงาของเสด็จพ่อสบายเหลือเกินและทูลคำอื่นอื่นอีกมากตามประสาเด็กพระาศาสดาไม่ตรัสอะไรเสร็จพัฒกิจแล้วทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะเสด็จกลับราหุ่นกุมารตามเสด็จมาข้างหลังทูลขอสมบัติว่าข้าแต่พระสมณะ พอได้โปรดประธานมารดกแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระศาสดาไม่ได้ตรัสอะไรและไม่ได้ตรัสให้พระกุมารกลับคนอื่นๆก็ไม่กล้าเชิญพระกุมารให้เสด็จกลับเหมือนกันราหุลกุมารจึงตามเสด็จจนถึงนิโครทารามพระศาสดารับสั่งให้พระสารีบุตรบวราหุลกุมารเป็นสามเณรทางนี้เพราะทรงต้องการให้อริยสมบัติแทนโพกสมบัติพระเจ้าสุโธธนะพุทธบิดา ทรงสดับข่าวเรื่องพระราหุนบวชทรงโทมนัสอย่างยิ่งเพราะทรงหวังให้พระราหุนครองราชต่อจากพระองค์เมื่อไม่สามารถกั้นความสุขและความทุกข์นั้นได้จึงเสด็จไปฟังพระศาสดาทูลขอพรว่าพระเจ้าข่ามุมฉันขอประทานพระวโรกาสพระองค์และพระภิกษุสาวกของพระองค์ไม่ควรให้บุคคลที่มาดาบิดายังไม่อนุญาตบวชพระศาสดาทรงไต่กวนแล้วทรงประทานพรนั้นแด่พระเจ้าสุโธทนะ และทรงประกาศให้สงฆทราบว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกุ่บุตรผู้จะบวชต้องได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาหรือผู้เกี่ยวข้องก่อนจึงให้บวชได้วันรุ่งขึ้นพระาศาสดาเสวยพระกยาหารเช้าที่พระราชนิเวศเสร็จแล้วพระเจ้าสุโทธทะทูลเล่าวา่าพระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์บำเพ็ญทุกการกิริยาอยู่นั้นมีผู้มาบอกข้าพระองค์ว่าพระองค์ที่วงคศเสร็จแล้วแต่หม่อมฉันไม่เชื่อหม่อมฉันคัดค้านว่า บุตรของหม่อมฉันจะไม่ที่วงคตหากยังไม่ได้บรรลุโพธิญาณพระาศาสดาตรัสว่าแม้ในชาติก่อนพระองค์ก็ไม่ทรงเชื่อมาแล้วเหมือนกันคือในสมัยที่อาตามภาพเป็นธรรมปาลกุมารไปศึกษาศิลปศ ร, ร์ที่เมืองตักศิลาอาจารย์ทิสาปาโมกไคร่ทดลองจึงนำกระดูกแพะห่อผ้ามาให้พระองค์ดูว่าบุตรตายเสียแล้วนี่คือกระดูกแต่พระองค์กลับทรงทศวนไม่ทรงเชื่อ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 เมื่อจบเทศนาพระเจ้าสุโทธทนะได้บรรลุอนาคามิผลพระสัสดาเสด็จกลับไปยังกรุงราชคฤห์ทรงสรํารานพระอิริยาบถอยู่ระยะหนึ่งแล้วรับอาราธนาของอนาถาพินดิกะเศรษฐีเสด็จไปยังกรุงสาวัตถีประทับอยู่ณเชตวนารามในการเสด็จครั้งนี้พระนันทะตามเสด็จด้วยขณะเมื่ออยู่เชตวนารามนั่นเองพระนันทะประสานอยากสึกจึงบอกแก่พิสุททั้งหลายว่า ท่านมายินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถสืบพรหมจรรย์ต่อไปได้จักขอคืนสิกขาลาศิทธ์พระาศาสดาทรงทราบเรื่องนี้แล้วรับสั่งให้พระนันทะเข้าเฝ้าตรัสถามเรื่องนั้นพระนันทะทูลรับว่าจริงตรัสถามว่าเพราะเหตุใดจึงอยากสึกพระนันทะทูลว่าข้าแต่พระองค์เมื่อข้าพระองค์ออกจากเกือนบวชนั้นนางชนบทภรรยาณีคู่แต่งงานของข้าพระองค์ <c oughs> มีอาการโศกอย่างลึกซึ้งได้ขอร้องว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอจงรีบกลับนะข้าพระองค์หวนระลึกถึงคํานั้นอยู่คํานั้นประหนึ่งลงไปกวางอยู่ในหัตถของข้าพระอง ค, องค์ข้าพระองค์จึงไม่ยินดีพระพฤติพรมจรรันทร์ไข่ศึกพระเจ้าค่ะตํำนานเล่าว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงสดับคํานั้นแล้วทรงจับแขนพระนันทะนาไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยกำ ล, งลังฤทธิ์ในระหว่างทางได้พบนางลิง รุ่นตัวหนึ่งนั่งเเ้าอยู่บนปลายต่อไม้ที่ายไหม้นางลิงนั้นหูนันทะเธอเห็นอย่างไรนางชนบทกาลยานีกับนางเทพอักษรเหล่านี้ใครสวยกว่าเทียบันไม่ได้เลยพระเจ้าข้าพระนันทะตอบนางเทพอักษรสวยกว่ามากถ้าจะเทียบแล้วนางชนบทกาลยาณีเป็นเสมือนนางลิงรุ่นที่พบในระหว่างทางอเทพอักษรเหล่านี้สวยจริงๆพระเจ้าข้า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 พระนันท h ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้ได้นางเทพอักษรก็พากันพูดต่อๆกันไปใครพบท่านก็ถามบ้างก็ยิ้มเย่อและมีกิริยาอาการอันสอเห็นว่ามิได้นิยมชมชอบในพระนันทะแต่ประการใดบ้างก็ว่าพระนันทะเป็นพระรับจ้างบ้างก็ว่าพระนันทะเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคทรงเป็นประการไว้พระนันทะ a ประพฤติพรหมจรรย์เพียงเพื่อให้ได้นางเทพอักษร หาใช่หาใช่เพื่อความหลุดพ้นอันแท้จริงไหมด้วยประการชนีพระนันทะจึงละอายอยู่ขวยเขินอยู่รังเกียจอยู่ซึ่งคำพูดทานองนั้นของภิกษุทั้งหลายจึงปลีกตนออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรม่ได้อะไรในชีวิตไม่นานนักพระนันทะก็สามารถบรรลุอรหัตผลในคืนที่พระนันทะบรรลุอรหัตผลนั่นเอง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 พระศาสด า, าตรัสว่านันทะเรารู้แล้วและเมื่อคืนนี้เทวดาวองค์หนึ่งก็มาบอกเราว่าเธอได้หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงแล้วนันทะเมื่อจิตของเธอพ้นแล้วเพราะความไม่ยึดมั่นเราก็พ้นจากภาวะผู้รับรองพระศาสดาทรงอุทานด้วยความชื่นชมยินดีว่าเปลืกตมคือกามหนามคือกามอันผู้ใดย่ำหยีได้แล้วข้ามได้แล้วผู้นั้นถึงความสิ้นโมหะย่อมไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์ วันหนึ่งภิกษุถามพระนันทะว่ายังอยากศึกอยู่หรือไม่พระนันทะตอบว่าความอาลัยในเพศคฤือหัดไม่ได้มีอีกแล้วภิกษุทั้งหลายเข้าใจว่าพระนันทะพูดไม่จริงอวดอ้างอารหันตผลจึงพากันไปทูลพระศาสดาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจริงของนันทะเมื่อก่อนนี้จิตของนันทะเหมือนเรือนที่มุงไม่ดีฝนคือราคะรั่วลดได้แต่บัดนี้ จิตของพระนันทะเหมือนเรือนที่มุงดีแล้วนันทะบรรลุอรหัตผลแล้วดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้นว่าเหมือนอย่างว่าเรือนที่มุงไม่ดีฝนย่อมร่วงลดใต้ชั้นได้เป็นต้นต่อมาภิกสุท์ทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นอัจฉริยบุคคลที่สามารถหาอุบายให้พระนันทะบรรลุพระอรหัตผลได้ พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามทราบความแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนนั้นทาก็ถูกลอดด้วยมาตุคามแล้วเหมือนกันเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลขอร้องให้เล่าเรื่องนั้นจึงทรงนำอดีตนิทานมาว่าในอดีตการพ่อค้าคนหนึ่งในเมืองพาราณสีบรรทุกสินค้าบนหลังลาไปค้าขายที่เมืองตักศิลาเมื่อไปถึงที่แล้วได้ปล่อยลาให้ทยวหากิน จนกว่าตนจะขายของหมดลาไปพบนางลาเข้าตัวหนึ่งจึงเข้าไปหาท่านมาจากไหนนางลาปฏิสันถานมาจากพาระราสีลาถูกพูตอบมาทําไมมาทุกของมาขายขอมากไหมมากของมากอย่างนั้นท่านเดินทางได้กี่ยอดจึงหยุดทีหนึ่งเดินเจ็ดยดอดหยุดทีหนึ่งเมื่อท่านพักมีนางลาช่วยนวดเท้าช่วยประครบประงมบ้างหรือไม่มีเลย น่าสงสารนางลาเปลยพอค้าใจดำ <c oughs> จริงอยู่การนวดเท้าเป็นต้นย่อมไม่มีในหมู่สัตว์เดรัจฉานแต่นางลาถามเพื่อพาพิงถึงกามาสั่งโยกอาการถามอย่างนั้นประกอบกับกิริยาท่าทางของนางลาทาให้ลาผู้กระสันขึ้นมีจิตปฏิพัทธ์ในลงังในนางลาสตรีทั่วไป เมื่อชอบชายย่อมพูดจาเป็นเชิง เ, เปิดทางอยู่บ้างไม่มากก็ น, น้อยชายที่ฉลาดย่อมพอรู้ได้แต่มีชายงโง่บางคนที่พอสตรทีทำดีด้วยเพียงเล็กน้อยก็เข้าใจว่าเธอรักเสร็จแล้วพ่อค้าขายของเสร็จกลับมาแต่ลาไม่ยอมไปด้วยเสร็จแล้วเขาจึงมึงคับกูเข็นว่าจะเอาปาตักยาวสิหกนิ้วแทงแลาวก็ไม่กลัวบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นจะทิ้งของให้หมดพ่อค้าประหลาดใจ ว่าฉนันไหลลาจึงพูดคำที่ไม่เคยพูดอย่างนี้กิริยาท่าทีก็กระด้างกระเดืองไม่สุภาพเหมือนก่อนจึงเหลียวดูไปรอบๆเห็นนางลาจึงรู้ได้ด้วยความฉลาดว่าเจา้านี่รักผู้หญิงซะแล้วจึงว่ามาเถิดไปด้วยกันเมื่อถึงที่แล้วเราจะนํานางลาอันมีกายงามหน้าเหมือนสังมาให้เจ้าลาได้ฟังดังนั้นมีชายยินดีบอกว่าถ้ากระนั้นจะเดินให้เร็วขึ้นอีกเท่าตัว เมื่อไปได้สองสามวันลาก็ถามถึงเรื่องนางลาที่พ่อค้าสัญญาจะให้พ่อค้าจึงกล่าวว่าเราจะไม่ทําลายถ้อยคําของเราเราจะนําพัญญามาให้เจ้าแต่จะให้อาหารให้เพียงพอแก่เจ้าเพียงผู้เดียวพัญญาของเจ้าและลูกของเจ้าที่จะเกิดตามมาเราไม่รับรู้ด้วยเจ้าต้องหาเลี้ยงเขาเมื่อพ่อค้าพูดอย่างนี้ลาก็คอตกหมดหวังพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ลาในครั้งนั้นคือนันทะนางลาคือนางชนบทกาลยานีส่วนพ่อค้าคือตัวเราเองนันทะได้เคยถูกรลดโดยมาดุขามาแล้ว